เราเห็นสัตว์โลกเป็นผู้ถูกความมืดครอบงำจิตของเรานี้เบื่อหน่ายจากพบเหมือนช้างถูกสับด้วยข อ, อ, อถูกสับด้วยขอด้วยกําลังฉะนั้นเราจึงเห็นความลามมกคือเห็นบาปต่างๆล่าอย่างจึงคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่เราจึงจะออกไปจากเรือนแล้วเข้าไปป่าได้แม้ในการนั้น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 ในวันตั้งชื่อกุมารนั้นมารดาบิดาก็ตั้งชื่อว่าโสนะกุมาน น, น, น, นะโสนคันโสนะกุมารเดินได้สัตว์อื่นจุติจากพรหมโลกได้ถือปฏิสนธิในคั์ของมารดาพระโพธิสัตว์ชื่อว่านันทะ ก, กุมานในกลับเดียวกันนี้พระนนทท่านก็ไปพรมกกนนะพพหออพนนพรมโลกเหมือนกันเพิ่งเพิ่งเห็นว่าเออพระพระนนทท่านก็ไปพรหมโลกเหมือนกัน ในกับนี้ท่ในกับนี้พระโพธิสัตว์หรือพระนรินเป็นต้นท่านเกิดในพรหมโลกแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในน้อยพันจากสังเกตในชาดกในจริยาปิดกจะเห็นว่ากับหนึ่งนี่นานจริงๆเมื่อก่อนนี้เราคิดไม่ออกว่ากับหนึ่งมันนานยังไงก็คือขึ้นจากเทวโลกมนุษยโลกพรหมโลกเวียนไปเวียนมาไม่รู้กี่รอบ ก, กี่รอบกับก็ยังไม่หมดไม่สิ้นพรันความนื่นนานความยาวนานของกับนั้นยาวจริงๆ มารดาบิดาเห็นรูปสมบัติของบุตรทั้งสองผู้เจริญวัยเรียนพระเวสําเร็จรศิลปะทุกอย่างร่าเริงยินดีคิดว่าเราจะผูกพันให้อยู่ครองเรือนนันเมื่อลูกลูกชายทั้งสองคนทั้งโซนากุมารทั้งนั้นทักกุมารร่มเรียนวิชาจนจบศิลปะวิทยาทุกอย่างแล้วก็เป็นคนรูปงามก็ปรารถนาจะให้ครองเรือนก็เลยกล่าวกับโซนากุมารผู้พี่ชายก่อนว่า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 ทุกอย่างก็เป็นสาเหตุแห่งโศกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตินี่แผดเผาเหมือนกับอยู่ในหลุมฐานเพลิงที่เต็มไปด้วยความเร่า ร, ร้อนร้อนระอุไปหมดก็จริงนะว่าใครที่อยู่ในโลกเนี่ยนะคนที่จะมีความสงบร่มเย็นทางจิตใจนี่หายากโดยมากไม่ร้อนใจเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งหมดไปเรื่องใหม่ก็เข้ามามีเรื่องให้ลำบากใจไปเรื่อยไม่มีจบพชีวิตจึงเหมือนอยู่ด้วย อยู่ในหลุมฐานเพลิงเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วก็ถูกย่างสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะพันก็เรา่เราร้อนจนไม่สามารถจะอยู่นิ่งๆอย่างมีความสุขได้แม้แต่วันเดียวเนี่ยนะอาจจะครึ่งชั่วโมงอาจจะพอได้เนี่ยนะแต่ว่านานๆเนี่ยนั่งนิ่งๆนั่งอย่างมีความสุขนั่งอย่งาส ง, งสบายใจนั่งอย่างอย่างเป็นผู้ที่มีเจริ่งกุศลธรรมเจริญอย่างอย่างดีอย่างเดียวเนี่หายากเต็มที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 แล้วก็ทั้งๆที่เดินไปสู่ชราและมรณะแทนที่จะสบายเปล่าเหมือนกับว่าป่วยแล้วก็ยังไม่ได้สบายอะไรก็เร่าร้อนอยู่นั่นแหละขณะเดียวกันนั้นท่านเห็นว่าการออกเป็นสิ่งดีที่สุดเนี่ยนะไม่ได้เห็นคุณว่าการอยู่การอยู่เฝ้าวัตะเนี่ยมันดีตรงไหนมองเห็นว่าการออกจากวะตะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั้นอัธยาศัยของท่านจึงน้อมไปเพื่อการออก เรียกว่าไอคำว่าออกเนี่ยคือออกจากวัตตะเรียกว่าเนคขมะเนี่ยนะมารดาบิดาไม่ทราบความประสงค์ไม่รู้ความต้องการของพระโพธิสัตว์ก็กล่าวอยู่บ่อยๆขอร้องอยู่นั่นแหละก็ไม่เห็นเอ่อก็ไม่ทำใจของพระโพธิสัตว์ให้เห็นดีเห็นงามไปได้จริงๆก็มีอัธยาศัยที่จะโอวาทแนะนำลูกเอ้ย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 นันถ้ากุมาร น, นั้นก็พูดว่าลูกไม่เอาศีรสรับน้ําลายที่พี่ชายของลูกถมทิ้งไม่รอก น, น, นะเพราะว่าสมบัติเหล่านี้มันยกให้พี่มาก่อนพี่เขามาเอาทําไมลูกต้องเอาหัวไปรับด้วยอยงนั้นเอาไปทูลรับอะไรน้ำเสลน้ําลายอย่างนั้นแม้ลูกก็จะบวชกับพี่ชายเมื่อพ่อแม่ล่วงรับไปแล้วมีลูกชายสองคนสมบัติมากมายลูกชายทั้งคู่ไม่แต่งงานเนี่ย น, นะพ่อแม่นี่ก็แหมทุกเหมือนกันนะ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 สมมติอาโรงเรือนกำลังสร้างบ้านอยู่ตอนนี้เอาไหมถ้าก่อนจะจุติคิดถึงบ้านที่กำลังเวียนไปเฝ้าออไปทุกอาทิตย์ไปบ่อยเหลือเกินเลยนะไปเที่ยวแล้วมีบ้านอันนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยเนะที่ยวไปเที่ยวมามีบ้านเป็นอารมณ์ชาติหน้าเอาไมโรงเรือนนะเกิดเฝ้าอยู่ตรงนั้นหลยเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้ไอสิ่งที่เราสแสวงหาที่เรียกว่าทุ่มเทเหลือเกินเนี่ยบนะอกมันดูดีไปหมดเลยอะแต่ถามว่ามีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วตายเอาไหมเนี่ยทมัมทุกอย่างเลยนะ ทำทุกอย่างเพื่อให้มีเสื้อผ้างามๆสักชุดหนึ่งได้เสื้อผ้าอันงามอันนั้นมีผ้านั้นเป็นอารมณ์ชาติหน้าเอาไหมไม่เอาอีกนั่นแหละแสวงหากว่าจะได้รถสรักคันหนึ่งนะเอาไหมตายคารถเลยอย่าง น, นัตายเฝ้ารถเลยเป็นต้นสรุปว่าไอ้ที่หาหาจริงๆหาไปทําไมเอาก็เหมือนกับว่าทุ่มเทเหลือเกินสแสวงหาสะละทุกอย่างทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อแลกสิ่งนั้นในที่สุดก็บอกว่าไม่เอาอีกแล้วแล้วทําไมไม่ออกตั้งแต่แรกเลยล่ะ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 แล้วก็เป็นล้านครั้งก็ไม่ใช่ชาติเดียวด้วยนะให้ผลไม่รู้กี่ร้อยชาติบางทีกรรมเหล่านี้ยังตามให้ผลอีกแสนกับแสนโกรธกลับข้างหน้าถ้าแสนกลับก็ยังชั่วนะแสนโกรธกลับข้างหน้าทันวิบากที่เรากําลังสเสวอรอยู่เนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นกรรมเมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วหรือมากกว่านั้นก็ได้เพราะสังสารวัตมันเชื่อมกันเนี่ยนะบางทีนี้ถ้าไม่อาศัยสัพพัญยุตรยานก็ยากที่จะบอกว่าเหตุอันนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่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 ปลูกกรรมในชาวนาขณะเดียวเท่านั้นหรือบอกไม่สร้างกรรมวันละสิบแปดชั่วโมงทํากรรมวันละสิบแปดชั่วโมงแล้วทํากรรมอะไรลนะ่ะเอาวันวั น, วนหนึ่งทําอะไรกันบ้างแล้ววิบากเหล่านี้ถ้ามันให้ผลนะบอกติดป้ายเลยเวิร์คทอมทูบอ่ะยินดีต้อนรับวิบากข้างหลายทยอยเข้ามาเถอะเอาไว้ทําใจได้ไหมติดป้ายบอกไม่ว่าง <c oughs> งดรับแขกใช่ไหรือว่า ไม่หรอกัอ้งกรรมที่เราทําแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอยา่าอยา่อยาคิดเป็นเล่นๆไปนะมันทํามากมาจริงๆแล้วนะนั้นเนคคัมมะเนี่ยทายังไงที่ใจของเราจะเป็นไปกับสิกขาที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นโลกที่มืดบอดอคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยนะถ้าเราไม่ลืมตาที่จะเห็นนี่ก็น่าน่าเสียดาย น่าเห็นใจฉันใดเพะนั้นเราก็แปลว่าเป็นโลกที่มืดโลกที่บอดเนี่ยนะ <_ t une> โดยมากโลกนั้นเป็นโลกที่มืดโลกที่บอดจริงๆเพราะฉะนั้นจึ ง, จ ง, จ ง, จ ง, งวขวนขวายทํากรรมเช่นกับศัตรูของตนนะนะทำขวนขวายทํากรรมเหมือนตนนี้เป็นศัตรูของตนสร้างแต่ความทุกข์หาแต่เหตุแห่งความเดือดร้อนหาแต่เหตุแห่งความเร่าร้อนให้แก่ตัวเองก็ามานึกในใจนะทุกคนเนี่ยทำไมนะเขาไม่สงสารตัวเองกันบ้างเลยนะ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 ก็มีคนโบราณอยู่คนหนึ่งเขาเขาอยากอายุยืนมากเขาก็เลยต้องกินยาโดบทุกวันไอ้ยาโดบของเขาคืออะไรเต้มหยกต้มหยกกับพวกอะไรนะพวกตะกัวพวกพวกยกพวกตะกัวพวกอะไรเป็นต้นเนี่ยมาต้มแล้วก็ดื่มทุกวันทุกวันเขาเรียกว่ายาอายุวัฒนะเอาเข้าใจว่าเป็นยาอายุวัฒนะอ่ะ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 ในที่สุดคืออะไรชั้นใดก็ดีบาปที่ทําถึงทําด้วยความหวังความเข้าใจผิดหรือจะด้วยหลงผิดหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นจะให้ผลไม่น่าปรารถนาจะเข้าใจอย่างไรก็ช่างเถอะจะดื่มยาพิษเพื่อมิตรภาพเพื่อสร้างสรรค์มันก็คือดื่มยาพิษชั้นใดจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ยอมทาอําบาปอยากคิดว่าบาปเหล่านั้นจะจะหายไปจะหมดไปแต่โลกนี้เป็นโลกที่มืดเป็นโลกที่บอด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 เป็นกรรมหมดแล้วกรรมเหล่านี้เราทํากรรมแค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยนะโอ้ยเกิดในวะะัฏฏะสวายๆเป็นแสนกลับอาชาติเดียวนะแล้วทํากรรมมาทุกชาติแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะที่สุดแห่งกรรมอยู่ที่ไหนไม่ต้องพูดหรอกที่สุดของกรรมอยู่ที่ไหนถ้าอริยมรตไม่เจริญขึ้นเนี่ยนะถ้าอริยมรคไม่เกิดอย่า ว, วังว่าจะออกจากกรรมได้เพราะฉนั้นพระโพธิสัตว์ท่านเข้าใจว่าการที่จะออกจากวะะัฏฏะต้องมาเจริญอริยมรตทีนี้ไอ้ความที่ท่านเป็นกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า ไม่มีอาจารย์นะนะโดยมากท่านเป็นผู้ที่ไม่มีอาจารย์เมืม่อไม่มีอาจารย์ท่านต้องการหาทำเลที่จะค้นคว้าและวิจัยการออกบวชของท่านคือไปหาทำเลเพื่อการวิจัยว่าจะออกจากวัตตะได้อย่างไรเนี่ยนะท่านท่านจึงไปเลือกเฟ้นนะไปเลือกเฟ้นแสวงหาสัจธรรมท่านการออกบวชทุกชาติเนี่ยออกบวชเพื่อแสวงหาอาริยมรรคเพื่อแสวงหาอา ร, าาริยมรรคบางชาติเน้นเจริญสัมมาวาจาบางชาติเน้นเจริญ สัมมาคัมมันตะบางชาติเน้นเจริญสัมมาสมาธิบางชาติเน้นเจริญสัมมาวายมะบางชาติเน้นเจริญสัมมาทิฏฐิบางชาติเน้นเจริญสัมมาสติเป็นต้นท่านการที่กว่าพระองค์จะรวบรวมโพธิปัจจยธรรมสำเร็จนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากกว่าจะแสวงหาประสบความสําเร็จท่านทุกชาตินั้นจึงแสวงหาว่าแสวงหาอริยมรรคว่าอริยมรรคที่จะทําให้พ้นทุกนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหน จะบรรลุอริยมรรคเหล่านั้นได้อย่างไรที่จะออกจากวัฏตะทั้งหลายท่านท่านคิดอย่างนี้ตลอดมันเจตนาตัวนี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเราเที่ยวแสวงหาว่าอะไรเนอคืออั ส, สาธาอาทินะ อ, อ, อะไรนอคือเหตุเกิดความดับอั ส, สาธาอาทินวะนิสรณะของอุปาทานขันหะเราก็เที่ยวแสวงหาเราก็เห็นแล้วซึ่งเหตุเกิดเห็นแล้วซึ่ง ความดับเห็นแล้วซึ่งอัศาธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าทีนี้ถามว่าท่านเริ่มสแสวงหาเหตุเกิดความดับของอุปาทานขั น, นหา้นห า, าท่ า, า น, น, สออาา น, นสแสวงหาตั้งแต่เมื่อไหร่แสวงหาอัศธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าแสวงหาตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าสี่อสงไขยแสนกับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนั้นสแสวงหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะพบ จะจะเห็นได้ง่ายๆเนี่ยนะมันก็เที่ยวแสวงหาแต่ของเราก็ถือว่าเป็นอันนะพ่อหาทรัพย์มาให้แล้วอ่ะนะอา้าถ้าถ้าเขบอกว่าเอยของเราก็ต้องไปหาแบบพระองค์สิเพราะงั้นนับถือพระพุทธเจ้าทําไมอะ่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์สแสวงหาจนเห็นหมดแล้วจึงเอามาบอกมาแต่งตั้งบรรัญญัติเผดเผยให้รู้ทําให้ง่ายทํำยังไงที่เราจะรู้ตามหน้าที่ของสาวกก็คือทํำยังไงที่จะ รู้ตามก็เลยบางคนก็เลยคิดกลับไปหากระบวนการผลิตอยากจะไปผลิตแบบนั้นเนี่ยนะทั้งๆที่บอกว่าแม้กระหายเหลือกเกินเขาเอาน้ํามาเป็นถังให้บอกว่าถ้าฉันไม่รู้วิธีกรองฉันจะไม่ดื่มน้ําเด็ดขาดอย่างนันะถ้า่งนั้นก็กระหายต่อไปก็แล้วกันช่วยไม่ได้ก็เราจะได้เป็นเช่นนั้นเลยอย่างั้นนะบทว่าตามโมทธทัดตังคือถูกความมืดครอบงำเนี่ยนะคือสัตว์เนี่ยนะครัว่าถูกสัตว์ถูกความมืดครอบงําก็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 โยมเมาเล่าว่าเขาจะไปต่างประเทศเอาเขาไปสิไปที่ไหนก็ไปเห็นอริยสัจไปดูอริยสัจไปเถอะเนี่ยนะบอกไม่ไปไม่ได้ครอบครัวก็ให้ไปว่างั้นเอาเขาไปก็ไหนๆก็ไปแล้วก็ไปพิจารณาอริยสัจที่นั่นทุกขสัจเต็มไปหมดเลยไปพิจารณาอริยสัจนะไปเพื่อให้มันเห็นอริยสัจนะก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนใไหมไปเพื่อพิจารณาไปเพื่อทําปริญญาในทุกขสัจไปเพื่อละสมุทัยสัจไปเพื่อทํานิโรธสัจให้แจ้ง ไปเพื่อเจริญอริยมรรตไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจถ้ายอย่างนี้ก็มีทิศ ท, ทางที่ชัดเจนถ้าไม่อย่างนั้นไปมีแต่ไปก็ไปไปไหนไม่รูไ้ไปหาชราและมรณะแหมพูดเป็นภาษาไทยฟังยากยากแปลว่าไปตายว่างั้นแต่ใครพูดความจริงอย่างนี้ทำใจไม่ได้นะบอกมาแช่งฉันนี่โอ๊ยไม่แช่งกาตายเชื่อเถอไม่พูดยังตายเลยใช่ไหมบทว่าจิตตังภวะโตปฏิกุตติ คือจิตของเรานี่เบื่อหน่ายใจนี่หดหูท้อแท้จากพบทั้งหลายมีการมาพบเป็นต้นคือใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระองค์บอกว่าใจของพระองค์เหมือนกับขนไก่ที่แย่เข้าไปในไฟท่านมองเห็นชาติทุกชาติการเกิดทุกพบไฟส1บอกองไฟคือชาติชรามรณะโศกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตแทดเผาอยู่อย่างนั้นใจของท่านเหมือนกับขนไก่ที่แย่เข้าไปใน พบทุกพบแย่เข้าไปนี่ขยั่งหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่น่าเอาแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยนะก็เคยคิดไหมว่าโอ้โหอันนั้นก็เบื่ออันนี้ก็ไม่เอานะแย่เข้าไปแล้วใจนี่ถอยกลับมาหมดเลยเป็นต้นเนี่ยนะถ้าลักษณะนี้ได้ก็แสดงว่าอนุภาพของปัญญาปัญญาที่สั่งสมมานั้นมีพละกาลังอย่างเต็มที่นั้นก็เลยจิตนี้ท้อแท้จากพบทั้งหลายเพราะท่านเห็นว่าทุก น, นะชาติสัตว์ทั้งหลายนีนอันชาติ พาเกิดชาราก็ติดตามพญาทิก็ครอบงำมรณะก็ประหารทีนี้ไอ้กเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เชื่อเถอะไปเสียอกเสียใจมากับทุกเรื่องอ น, นะมีตรงไหนบ้างตำแหน่งไหนบ้างที่ไม่ไม่เข้าไปเศร้าใจเนี่ยน ะ, ะตรงนี้มีหลวงเรืองเป็นพระเอกแค่ไเชื่อเถอะตารางทุกตารางนิ้วของแผ่นดินลวงเรืองลงเรืองไปเครียดมาหมดแล้วเชื่อเถอะ ไปสเสวยไปทําบาปมาหมดแล้วไปโกรธมาทุกแห่งนะ่ะเชื่ออยู่ที่นี่นั่งหัวเราะนั่งยิ้มยิ้มกลับไปบ้านไ ม, ไม่รู้ว่าใ ช, ช้พระเดชพระคุณขนาไหนไม่ทราบก็คือสรุปว่าที่ไหนมั่งที่ที่ไม่ทํากรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมทุกผลทุกแห่งเป็นที่ไปไปทำกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเนี่ยนะพบต่อต่อไปจะเป็นอย่างไรเนอะือก็ทั้งไอความที่ท่านเห็นว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรคือเหตุอะไรคือผล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 ช้างอาชาในถูกสับด้วยขอด้วยกําลังเป็นผู้ถึงความสลดใจฉันใดใจของเราก็ถึงความสลดด้วยการพิจารณาโทษแห่งกามทั้งหลายฉันนั้นเนี่ยนะก็คือไอ้ตะขอเนี่ยนะถ้าสับลงไปในหัวถ้าสับตรงๆมันก็เจ็บอยู่แล้วใช่ไพอสับจากละงัดขึ้นนะพอพอใช้ตะขอเนี่ยขวดก็ไปทิ่มไปลึกไนหะแล้วงัดขึ้นขุดไปละงัดขึ้นเหมือนขุดดินอ่ะนะเหมือนขุดดินอ่ะขุดงัดขุดงั ด, ข, ด, ง ด, ข, ด, งดขุดงัดเนี่ย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 ถ้าเราเพลินดอกไม้ในวัตฏะแล้วต้องเฝ้าวัตฏะเนี่ยนะมันจะเจ็บปวดร ว, ดรว่เร้ามันจะทุกข์ร้อนขนาดไหนพันอนุภาพของปัญญาจึงมีการพิจารณาพิจารณาเห็นทุกโทษพิษภัยของสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่บทว่าทิสวาณนะวิธิตังปาปังเราเห็นความลามเห็นบาปทั้งหลายปาปะเนี่ยแปลภาษาไทยว่าลามกลามกก็แปลว่าบาปนั่นแหละ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 ก็บอกว่ามือที่จับคัมภีร์นี่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ค่าสัตว์เยอะเนี่ยนะก็เห็นว่าที่ไหนบางที่ที่ทไม่ใช่สัตว์ตายไม่มีนีนะทุกแห่งในในส่วนทุกแห่งของร่างกายเนี่ยตามผิวหนังอายุงบินมาตบแผ่ น, นั่นแหละตาชายัยตรงนั้นที่ลานแห่งจุติปฏิสนธิแดนทหารอยู่ทั่วทุกขนทุกแห่งไปหมดที่ใดมีตานาทิบาที่นั้นอธินนาทานเป็นต้นอย่าคิดนะว่าจะไม่มีพันทุกขนทุกแห่งเป็นลานแห่งการ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 คือก็อย่างว่าทวนอีกครั้งนึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในในทุกสูตรเนี่ยท่านสิ่งที่ท่านคิดคือระหว่างกุศลกรรมรบทกับอกุศลกรมรมบทนี่คือความคิดยืนพื้นของท่าน <eri> ท่านเป็นคนที่เห็นโทษของอกุศลกรมรมบทเพราะอันนั่นคือประตูนรกนะประตูอาบายประตูเดรฉานเป็นต้นเมื่อท่านเห็นปั๊บตรงไหนปั๊บแล้วที่ไหนมั่งมันทําอกุศลกรมรมบทไม่ได้แล้วจะออกได้อย่างไรและจะออกได้อย่างไรท่านก็คิดแต่อย่างนี้นะจริงๆอ่ะ ผู้กเกในหนึ่งก็เพราะท่านเหล่านั้นเป็นเป็นผู้ไขประโยชน์ต่อตนอย่างนี้อย่างดูในหน้า416เนี่ยนะอัตถกาโมคือผู้ไขประโยชน์ตนพระโพธิสัตว์โดยพื้นฐานจริตของท่านเป็นอย่างนั้นเป็นผู้ที่สแสวงหาประโยชน์เพื่อเพื่อตนก็คือเนื่องจากท่านกลัวบาปที่ท่านกลัวบาปก็ท่านกลัวทุกต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ ทีนี้ถามว่าเมื่อสัตว์ทำความชั่วได้ทุกหนทุกแห่งคิดถึงอะไรก็ไปอาบายหมดอย่งนั้นเถอะก็อย่างที่อ่านเปตแต่วัตถูกดิเนสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกเวลาตายจากนรกมาเกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อนี่มาอย่างไงบอกว่าแวบจดก่อนจะจากนรกก้อนเนื้อเหมือนกับนึกถึงเนื้อสักชิ้นหนึ่งนะนั่นแหละคือพบต่อไปของตัวเองบางทีเนี่ยนะอย่าง ไปเห็นคนที่เขาสับกระดูกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยอยู่กับกระดูกทําอะไรเกี่ยวกับกระดูกตลอดถ้ามีกระดูกเป็นอารมณ์แล้วเกิดที่ไหนดีมีแต่เนื้อเป็นอารมณ์มีแต่สัตว์ที่กําลังจะตายเป็นอารมณ์เป็นต้นเลยนะพบต่อต่อไปเขาจะเกิดที่ไหนเพราะนนั้ท่านเห็นกรรมมีปานาติบาตและนิมิตของกรรมเครื่องหมายของกรรมและในโลกนี่นะเขาบอกว่าวิชาสายปานาติบาตถ้าใครทําศึกษาเรียนจนประสบความสําเร็จ เคยเรียน ไ, ไมมว่าใบไม้ก็กลายเป็นอาวุธได้มองเห็นใบไม้ก็เอามาทําเป็นอาวุธได้เพราะทุกอย่างเป็นเครื่องมือในการทำปานาติบาตเป็นเครื่องมือที่จะให้ทําอธินนาทานเป็นต้นได้หมดเลยอะไรมันหมู่สัตว์ทั้งหลายวางแผนที่จะเอาวัตถุในโลกเพื่อทําปาณาตีบาตเพื่อทําอธินนาทานเป็นเอื้อมไปหาการเมสุมิจฉาจารย์เป็นต้นน้อมเอาวัตถุเหล่านี้ไปทําความชั่วได้หมดมัน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 แก้ปัญหาด้วยปาณาติบาตแก้ปัญหาด้วยอธินนาทานแก้ปัญหาด้วยการมีสุมิชฌาจารย์เป็นต้นเนี่ยนะอย่างไอ้ฉันทาคติเนี่ยนะทำด้วยความชอบในที่สุดก็ไหลไปหาปาณาติบาตจนได้เนี่ยนะมันก็อย่างที่เราเห็นภาพเห็นข่าวบ่อยๆนั่นแหละคือเป็นผลพวงจากฉันทาคติเป็นต้นเนี่ยนะผลพวงของความรักผลพวงของความโกรธผลพวงของความลุ่มหลงและผลพวงของความกลัว กลัวคนอื่นเขาจะฆ่าตอนก็เลยฆ่าคนอื่นซะ ก, ก่อนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั่นอันนผลพวงของความโลภโกรธหลงความโง่เขลาเนี่ยนะก็ใช้ชีวิตเล่นไปหาปาณาติบาตไปเพื่อทําปานาติบาตเนี่ยนะคนไปทําปาณาติบาตนี้ดีใจมากนะโอ้ยเต็มใจเต็มที่นะหึกเหิมมากเลยนะเชื่อไหมพวกที่ไปฆ่านี่หึกเหิมมากเลยโอ้ยองค์อาจสาพาเผยเชียร์กันแต่ว่าไปเพื่อเว้นจากปานาติบาตนี้น้อยอะนะไ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 อาชีพ ป, ปานาติบาก็เจริญอาชีพอธินนาธานก็เจริญรุ่งเรืองในโลกอาชีพสายกามีก็เจริญรุ่งเรืองอาชีพมุสาก็เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นอาชีพที่เจริญรุ่งเรืองแม้แต่อาชีพสายสุรามีไรก็เจริญรุ่งเรืองเพราะอาชีพที่เจริญรุ่งเรืองโดยมากอากุศลกรรมบดล่วงอากุศลกรรมบทซะส่วนใหญ่เมื่อเพราะฉะนั้นมันถือว่ายากนะพระองค์จึงบอกว่าคนที่อยู่ครองเรือนแล้วไม่เปื้อนบาปทําได้ยากหาได้ยาก พันโดยมากนี่ก็ไปเพื่อนบาปเพื่อนอกุศลมาทั้งนั้นมันเอ๊จะออกได้ยังไงจะออกได้ยังไงเนี่ยนะบ่ะมีแต่ใจคิดอย่างนั้นครั้งนั้นแม้กระทั่งพวกญาติจะเชื้อเชิญเราคือไม่ใช่ขณะที่เป็นอโยคะบัณฑิตเท่านั้นนะแม้ขณะที่เป็นโซนกุมารญาติทั้งหลายมีพ่อแม่เป็นต้นผู้บริโภคการมผู้มีอัตยาศัยในกรรมคือปกติพ่อแม่นะก็หมกมุ่นอยู่ในการมมีอัธยาศัยมุ่งไปเพื่อกามเชิญเราด้วยโพคะ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 คือนันทากุมารเนี่ยนะก็เขาก็มาจากพรหมโลกนะก็พิจารณาโทษของกามทั้งหลายโดยในเป็นต้นมาชื่อว่ากามทั้งหลายนี่มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากก็จะได้ความอัยองก็เล่าว่าแม่จะได้อะไรที่ตัวเองพอใจสักอย่างหนึ่งทําไมมันทุกข์ขนาดนี้เขาบอกกันนะทุกข์จริงๆกว่าจะได้ได้ง่ายๆไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวมีแต่ยากหมดเลย เพราะฉะนั้นก็บอกว่าไอ้กว่าจะได้ความยินดีเล็กน้อยสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันได้ความลําบากมามากมายาเรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นก็ว่ากันนะไอ้น้ำตากระเด็นนี่ถือเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมเลือดในตา น, นี่มันแทบไลหลปริ่มออกมากว่าจะได้มาสาักอย่างหนึ่งมันช่างยากแท้เนี่ยนะเพราะเพราะอะไรเพราะทุกคนก็มีแต่ความต้องการเหมือนกันหมดเมื่อเรียกวัตถุดิบในโลกมันจํากัดทุกคนก็อยากจะครอบครองมันสึกชิงสิ่งเหล่านี้จึงจึงตามมา ใครว่าเงืนแก้วแหวนเงินทองในโลกมันเป็นเป็นวั ส, สดุที่มีจํากัดใช่ไหมเมื่อมีจํากัดมันก็ต้องแย่งกันังนั้นใครมีบุญมากก็ชนะไปใครที่มีปัญญามากก็เอาไปไอ้คนปัญญาน้อ ย, อยจะไปทํำยังไงเอาก็เที่ยวไปเอาไปเอามาก็แม้กระทั่งหาจะอิ่มท้องก็ยังยากนนะเว้นแต่ไม่บางคนก็ไม่ยอมทานนลยนะยากจริงอดทําอะไรก็ไม่รู้บายบายสิ้นแปดก็ไม่ได้นะแต่อดข้าวเนี่ยแม่น่าสงสารเลยกันนะโรงเรียนเรานะี่ ข้าวก็ไม่กินแต่ศินแปก็ไม่ถือต่อไปอีกว่าครั้นเข้าไปก็สร้างอาสมเนี่ยนะสรุปว่าในที่สุดก็ออกบวชใช่ไหมออกบวชก็คือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องออกบวชหมดเลยก็ไปบวชพี่น้องสองคนบำรุงมารดาปิดาเนี่ยนะไปพ่อแม่ก็ออกบวช ด, ด้วยใช่ไหมลูกออกบวชในที่สุดเนี่ยนะนันทบัณฑิต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 ผลไม้ที่มันได้ดิบได้ดีหาผลไม้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์พราะรู้ว่าอะไรที่ทจะมีรสอร่อยแล้วก็มีคุณค่าที่จะให้พ่อให้แม่แต่ก็ไม่เคยทันนันทบัณฑิตซากทีหนึ่งนันทบัณฑิตดีไม่ดีไม่รู้ขอให้แม่ทานไว้ก่อนนะขอให้พ่ออิ่มไว้ก่อนนะใช้ได้แล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่รู้พันผลไม้ของน้องชายเนี่ยพ่อแม่ทานเพราะของพี่ชายที่ไปหาของดีๆพ่อแม่ไม่ได้ทานเพราะว่า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 รู้เลยว่าพ่อแม่ต่อไปอายุไม่ยืนเพ่อะจะห้ามน้องก็เลยเรียกน้องมาบอกว่านันทะตั้งแต่นี้ไปนะน้องจะต้องนำผลไม้อ่าถ้าน้องจะนําผลไม้มาให้พ่อแม่บริโภคนี่นะต้องรอพี่กลับมาก่อ น, น, นก็บอกน้องดีๆนะบอกว่าก่อนที่จะให้พ่อแม่ทานนะรอพี่กลับมาก่อนโสอนันทบัณฑิตอยากได้บุญอย่างเดียวอยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ทําตามคําของพี่ชาย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 นั่นถ้าบัณฑิตนี้ถูกพี่ชายเนี่ยไล่ไปก็ไม่อาจจะอยู่ในที่นั้นได้ก็ไหว้พระโพธิสัตว์ไปเล่าเรื่องราวให้พ่อแม่ฟังไปยังบรรณาศาลาของตนไปเพ่งกสินะนะธรรมพิญญาสมาบัติให้เกิดนะนะตัวเองก็คิดว่าจาักนำทายรัตนะมาจากเชิงเขาศรีรุมาเกลี่ย บ, บริเวณศาลาพี่ชายแล้วก็ขอขมาผู้เองนี่ก็โอ้น้อยใจเนี่ยน้อยใจเสร็จก็ไปเจริญฌาน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 ขอร้องเทวดาให้เทวดามาช่วยขอขมานำเท้ามหาราชทั้งสี่นำเท้าส ก, กะเอ่ก็ดูไม่ดีเอางี้ก็แล้วกันพระราชาเมืองพรหมวัฒน์พระนามว่ามโนชานี้เป็นอักรราชาทั่วชมพูทวีปเราจักนำพระราชาทั้งหมดตั้งแต่พระเจ้ามโนชะนั้นมาขอขมาเอางี้เนาะพาพระราชาทั่วแผ่นดินมาเป็นบริวารแล้วพาพระราชาเหล่านั้นมาขอขมาพี่ชาย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 โซนบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมยากจะให้โซนบัณฑิตนี้เป็นที่ปรากฏเป็นที่รู้จักของหมู่มหาชนเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยนะเพราะนั้นทะบัณฑิตนี้ก็คิดวางแผนไกลมากนะจะมาขอเข้ามาด้วยวิธีอื่นก็มีวิธีเยอะแยะแต่วิธีนี้แหละจะให้หมู่ชนทั้งหลายรู้จักกับโซนบัณฑิตที่นั้นนันทบัณฑิตก็ไปด้วยริดลงที่ประตูพระราชนิเวศของพระราชา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 ฤศีก็บอกว่ามหาราชอาตมาจะไม่ฆ่าใครๆจะยึดด้วยฤทธิ์ของตนเท่านั้นแล้วนำมาถวายเสร็จแล้วก็พาพระราชาพร้อมด้วยเสนามูใหญ่ไปจนถึงแควนโกสลพักพักค่ายเอาไว้ไม่ไกลพระนครส่งทูดไปแก่พระเจ้าโกสลว่าจะรบหรือจะยอมอยู่ในอำนาจ <c oughs> พระเจ้าโกสนก็ไม่ยอมโกรธมากก็เลยทาการรบนะก็จัดตั้งกองทัพเพื่อออกมารบ นะด้วยฤทธานุภาพของนันทบัณฑิตนักรบทั้งทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ทําร้ายกันตระเตรียมด้วยการนําคําโต้อตอบซึ่งกันและกันที่พระเจ้ากโกศลเนี่ยนะในที่สุดก็เขามีการแบบอะไรนะทำโล่ทำไข่ป้องกันไม่มีการตายนะเสนาทั้งสองฝ่ายไม่มีการตายแล้วก็มีการพูดคุยกันในที่สุดพระเจ้ากโกศนก็นับถือพระเจ้ามโนชะเนี่ยนะแห่งแคว้นกาสี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 ้ช่วยเหลือได้ทุกอย่างจริงๆข้าพระเจ้าปรารถนาจะให้ราชสมบัติเกึ่งหนึ่งในชมพูทวีปทั้งสิ้นแก่พระคุณท่านว่าแบ่งราชสมบัติครึ่งหนึ่งให้แล้วก็แล้วกันก็เลยกําหนดช้างกําหนดมา้ากําหนดรถกําหนดแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพานเงินทองทาตหญิงชายบริวารชนว่าตรลงว่าท่านจะเอาอย่างไรนันทบัณฑิตพอได้ฟังอย่างนั้นก็บอกว่ามหาราชอาตมาไม่ต้องการด้วยราชสมบัติ แม้พาหนะช้างเป็นต้นก็ไม่ต้องการแต่ว่ามารดาบิดาของอาตมานี้บวชอยู่ในอาสมโนนในแคว้นของพระองค์อาตมาภาพบำรงมารดาบิดาเหล่านั้นถูกโสนะบัณฑิตพี่ชายของอาตมาพี่ชายผู้สแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่พี่ชายคนนี้ไล่ในเพราะความผิดอย่างหนึ่ง น, นะเพราะอาตมาทำผิดบางอย่างพี่ชายก็เลยไล่มา แต่ว่าแม้อยากจะบำรุงพ่อแม่เหลือเกินในห่างพ่อห่างแม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะอาตมาภาพจักพาพระองค์ไปหาพี่ชายเพื่อขอเข้ามาที่ทําทั้งหมดเนี่ยจะได้พาพระองค์เนี่ยไปให้พี่ชายอดโทษขอพระองค์จงเป็นเพื่อนในการให้พี่ชายของอาตมาภาพยกโทษให้ด้วยเถิดนะเหมือนกับเรื่องราวใหญ่โตเลยนะจะเป็นแบบของพวกเราอาจจะคิดเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยเรื่องยุ้มยิ้ ม, ม, มอะไรเงี้ยนะ แต่แม้ถ้าในความคิดของนันทบัณฑิตเขาบอกโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจะต้องหาประราชาเนี่ยแหละเป็นบริวะเป็นเพื่อนเป็นบริวารเนี่ยไปขอขมาพี่ชายในที่สุดนันทบัณฑิตก็นําหน้าไปจนถึงอาสมบทแล้วก็ปล่อยระยะไว้ที่ส อ, อังคุละเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ไปนําน้ํามาจากสาโนดาดหาบด้วยเครื่องหาบอยู่บนอากาศเตรียมน้ําดื่มกวาดบริเวณเสร็จแล้วก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้เอิบอิ่ม ยินดีอยู่ในฌานนั่งอยู่ใกล้มารดาพิดาไปถึงก็ไปขอขมาพระโพธิสัตว์ให้นันทบัณฑิตดูแลมารดาจริงๆเขามีเรื่องไอ้ระหว่างการขอขมาสนทนากันเยอะเนี่ยนะสนทนากันเยอะมากในในโซนันทบัณฑิตในในโซนันทชาดกะนะผู้ใดยอยากรู้รายละเอียดพิจารก็ไปดูเอาที่นั่นแต่ว่าสรุปในที่สุดอัะนนะัก็ขอขมาสําเร็จทีนี้พอขอขมาสําเร็จก็มาคุณว่าเอาเนี่ย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 การสงเคราะห์เหล่านี้แลในโลกตามสมควรในธรรมนั้น น, นนะคือสังขาวัตุสี่คือหนึ่งทานการให้สองปิยวาจาการเจรจาถ้อยคำอ่อนหวานสามอัตจริยาการประพฤตเป็นประโยชน์สสมานตตาการวางตนเสมอต้นเสมอปลายดุดลิ่มรถที่เล่นไปฉะนั้นถ้าการสงเคราะห์คือสังขาวัตุสี่ประการเหล่านี้ไม่มี พ่อแม่ย่อมไม่ได <grammar? No. S 1> ้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรหรือบิดาย่อมไม่ได้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรเพราะบัณฑิตทั้งหลายไม่เพราะบัณฑิตทั้งหลายเพ่งเล็งโดยชอบซึ่งสังขาวัตถุวัตถุแห่งการสงเคราะห์สี่เหล่านี้ฉะนั้นจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่และได้รับการสรรเสริญคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลาย เขามีการให้ให้โดยเฉพาะให้พ่อให้แม่เจรจาแต่ถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานกับพ่อแม่ประพฤติให้เป็นประโยชน์ว่าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พ่อแม่และก็วางตนในการบำเรอดูแลท่านอุปถัมภ์ท่านอย่างเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะท่านให้แล้วก็ไปเจรจาถ้อยคาที่ไพเราะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านแล้วก็วางตน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 พ่อแม่ทั้งหลายที่คอยสงสารเป็นห่วงเป็นใยพลิกน้อมไปเพื่อบำบัดทุกข์ของลูกทั้งท ง, ทงที่ตัวเองยอมทนยอมกล้ามกลืนยอมทุกข์ยอ ม, ย, อมยากยอมลำบากเพื่อให้ลูกพ้นจากความทุกข์สแสวงหาทุกอย่างเพื่อจะช่วยทำยังไงลูกจะได้พ้นจากความทุกข์เนีนย่ยนะ แม่พูดยังก็เคยมีลูกกันนะเคยแล้วในะอดีตชาติเหมนกะันแต่พูดถึงว่าเห็นจากพ่อแม่ที่เขาทําทำเนี่ยนะก็บอกอะไรนะย่าดเงือทุกหยดเพื่ออนาคตของลูกเหนื่อยอับสายตัวแทบขาดยังไงก็เพื่อเพื่อลูกว่าถ้าไม่มีลูกพ่อแม่หลายคนสบายกว่านี้เยอะเนี่ยนะนอนแค่ได้ว่ากินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนั่นแหละแต่เพื่อลูกตัวเองก็เลยทุกเลยมุ่งจะบําบัดลูกให้ลูกพ้นจากความทุกข์ให้ลูกประสบแต่ ความสุขความเจริญในโลกนี้ใครที่ได้ดีแล้วะคนที่ดีใจที่สุดก็คือพ่อแม่ดีใจที่สุดเลยนะบางค น, เ, นเห็นลูกประสบความสําเร็จเล็กน้อยนะพูดถึงแล้วพูดถึงอีกดีใจแล้วดีใจอีกเมื่อไม่นานนี้เขามีโหยงคนหนึ่งลูกเขาประสบความสําเร็จไปแข่งอะไรสักอย่างหนึ่งชนะเนี่ยนะไปที่ไหนก็พูดแต่ชัยชนะของลูกนั่นแหละพูดแล้วพูดอีกพูดพูดไม่รู้จบรู้สิน้นเพราะพ่อแม่คือผู้ที่บันเทิงกับลูกที่สุดเนี่ยนะ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 มารดาบิดาในครั้งนั้นก็คือมหาราชก็คื อ, อบิดาก็คือพระเจ้าสุโทธทนะมารดาก็คือพระนางสิริมหามายานันทบัณฑิตก็คือพระอนนทิระพระราชาก็คือพระสารีบุตรพระราชาร้อยเอดก็คืออสีติมมหาเทระทั้งหลายพระเถระและพระเถระรูปอื่นๆบริษัททั้ง24อัโกโกพินีก็คือพุทธบริษัท นะโซนะบัณฑิตก็คือพระโลกกนัฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกสามวัุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ไม่คํานึงในกามทั้งหลายโดยสิ้นเชิงเพราะเห็นโทษเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของม ห, มหาพูดเนี่ยนะเห็นโทษของมหาพูดมหาพูดเนี่ยนะแหมถ้าใครไปไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นที่ไม่เศร้ามองกลับมาเนี่ยยากเหมือนั้น